ตอนที่7ปัญหาที่หถามการถือกำเนิดแห่งนามรูปข้าแต่พระหน้าเกษรอะไรปฏิสนธิคือถือกำเนิดมหาราชะนามรูปถือกำเนิดนามรูปนี้หรือถือกำเนิดมหาราชะนามรูปนี้ไม่ได้ถือกำเนิดแต่ว่า บุคคลทำกรรมดีหรือชั่วด้วยนามารูปนี้นามารูปอื่นก็ถือกำเนิดด้วยกรรมนั้นข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าถ้านามารูปนี้ไม่ได้ถือกำเนิดผู้นั้นก็จะพ้นบาปทั้งหลายไม่ใช่หรือขอถวายพระพรถ้าผู้นั้นไม่เกิดแล้วก็พ้นจากบาปกรรมทั้งหลายแต่ถ้ายังเกิดอยู่ก็หาพ้นไม่ ขอนิมนต์ได้โปรดอุปมาด้วยอุปมาด้วยผลมะม่วงขอถวายพระพรเปรียบเหมือนบุรุษผู้หนึ่งไปขโมอยผลมะม่วงของเขามาแต่เจ้าของมะม่วงนั้นจับได้จึงนำไปถวายพระราชากราบทูลว่าบุรุษผู้นี้ขโมอยมะม่วงของข้าพระองค์บุรุษนั้นจะต้องกราบทูลว่า ข้าแต่สมมติเทพข้าพระองค์มิได้ขโมยมะม่วงของบุรุษนี้มะม่วงที่บุรุษนี้ปลูกไว้เป็นมะม่วงอื่นส่วนมะม่วงที่ข้าพระองค์นําไปนั้นเป็นมะม่วงอื่นอีกต่างหากข้าพระองค์ไม่ควรได้รับโทษ ด, ดังนี้อาตมาภาพจึงขอถามมหาบพิษว่าบุรุษผู้นั้นควรจะได้รับโทษหรืออย่างไร ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าบุรุษนั้นควรได้รับโทษเพราะอะไรละ่ะมหาบาพิษเพราะว่าบุรุษนั้นรับว่าไปเอามะม่วงมาแล้วแต่บอกว่าเอาผลมะม่วงลูกก่อนไปถึงกระนั้นก็ควรได้รับโทษด้วยผลมะม่วงลูกหลังข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละมหาบาพิษคือบุคคลทากรรมดีหรือชั่วอันใดไว้ ด้วยนามารูปนี้แล้วนามารูปอื่นก็ถือกำเนิดสืบต่อกันด้วยกรรมนั้นเพราะฉะนั้นเขาจึงไม่ผลไปจากบาปกรรมขอถวายพระพรขอนิมนต์อุปมาให้ยิ่งขึ้นไปอุปมาด้วยไฟไหมขอถวายพระพรมีบุรุษคนหนึ่งก่อไฟไว้ในฤดูหนาวแล้วทิ้งไว้ไมิได้ดับไฟ ได้ไปเสียที่อื่นไฟนั้นได้ไม่นาของผู้อื่นเจ้าของนาจึงจับบุรุษนั้นไปถวายพระราชากราบทูลว่าข้าแต่ส ม, มุทิเทพบุรุษนี้เผานาของข้าพระองค์บุรุษนั้นจะต้องทูลให้การว่าข้าพระองค์ไม่ได้เผานาของผู้นี้ไฟนั้นถึงข้าพระองค์ไม่ได้ดับแต่ไฟที่ไม่นาของผู้นี้ก็เป็นไฟอื่นต่างหาก ข้าพระ อ, องค์ไม่มีโทษดังนี้อาตมาภาพขอถามมหาบพิษว่าบุรุษนั้นจะมีโทษหรือไม่ต้องมีโทษสิพระผู้เป็นเจ้าเพราะเหตุใดมหาบพิษอ๋อเพราะเหตุว่าถึงบุรุษนั้นจะหมายเอาไฟก่อนก็ตามแต่ก็ควรได้รับโทษ ด, ด้วยไฟหลังข้อนี้ก็ฉันนั้นมหาบพิษ คือบุคคลทำกรรมดีหรือกรรมชั่วอันใดไว้ด้วยนามรูปนี้แล้วนามรูปอื่นก็ถือกาเนิดด้วยกรรมนั้นเพราะฉะนั้นเขาจึงไม่พ้นจากบาปกรรมขอนิมอนอุปมาให้ยิ่งขึ้นไปอีกอุปมาด้วยประทีปขอถวายพระพรเหมือนอย่างว่าบุรุษคนหนึ่งถือเอาประทีปเข้าไปที่เรือนโรงแล้วกินข้าว ประทีปก็ลุกลามไปไหมย่าย่าก็ลุกลามไปไหมเรือนเรือนก็ลุกลามไปไหมหมู่บ้านชาวบ้านจึงพากันจับบุรุษนั้นแล้วถามว่าเหตุไฉนเจ้าจึงเผาบ้านบุรุษนั้นจึงตอบว่าเรานั่งกินข้าวอยู่ด้วยประทีปอื่นต่างหากส่วนไฟที่ไหม้บ้านเป็นไฟอื่นอีกต่างหาก เมื่อโตเถียงกันอย่างนี้ขอพากันมาเฝ้ามหาบพิตรกราบทูลว่ามหาราชเจ้าจะรักษาประโยชน์ของใครไว้พระเจ้าค่ามหาบพิตรจะตัดตรอบว่าอย่างไรโยมจะตอบว่าจะรักษาประโยชน์ของชาวบ้านไว้เพราะอะไรมหาบพิตรเพราะว่าถึงบุรุษนั้นจะกล่าวอย่างนั้นก็จริง แต่ว่าไฟนั้นเกิดมาจากประทีปดวนก่อนนั่นเองข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละมหาปพิธคือถึงนามรูปอันมีในที่สุดแห่งความตายเป็นนามรูปอื่นส่วนนามรูปที่ถือกาเนิดเป็นนามารูปอื่นก็ตามแต่ว่านามารูปนั้นเกิดจากนามรูปเดิมเพราะฉะนั้นเขาจึงไม่พ้นจากบาป ก, กรรม ขอนิมนุปมาให้ยิ่งขึ้นไปอีกอุปมาเรื่องมั่นเด็กหญิงขอถวายพระพรเปรียบาลบุรุษผู้หนึ่งมั่นเด็กหญิงที่ยังเล็กๆเอาไว้ให้ของมั่นแล้วกลับไปต่อมาภายหลังเด็กหญิงคนนั้นก็เติบโตขึ้นมีบุรุษอีกคนหนึ่งมาให้ของมั่นแล้วแต่งงานบุรุษที่มั่นไว้ก่อนจึงมาต่อว่าบุรุษนั้นว่า เหตุใดเจ้าจึงนำภรรยาของเราไปบุรุษนั้นก็ตอบว่าเราไม่ได้นำภรรยาของเจ้าไปเด็กหญิงเล็กๆคนนั้นที่เจ้าขอไว้แล้วให้ของมั่นไว้นั้นเป็นคนหนึ่งต่างหากเด็กหญิงที่เติบโตแล้วที่เราสู่ขอแล้วนี้เป็นคนหนึ่งอีกต่างหากเมื่อบุรุษทั้งสองนั้นโตเถียงกันมาเฝ้ามหาบาพิษ พระองค์จะส่งวินิจฉัยให้เด็กหญิงนั้นแก่ใครอ๋อต้องให้แก่บุรุษคนก่อนนะสิพระผู้เป็นเจ้าเพราะเหตุใดมหาบาพิษเพราะเหตุว่าถึงบุรุษนั้นจะกล่าวอย่างนั้นก็จริงแต่เด็กสาวคนนั้นก็เติบโตต่อมาจากเด็กหญิงเล็กๆนั่นเองข้อนี้ก็ฉันนั้นมหาบาพิษคือถึงนามารูป อันมีต่อไปจนกระทั่งตายเป็นนามรูปอื่นส่วนนามรูปที่ถือกำเนิดเป็นนามรูปอื่นก็ตามแต่ น, นามรูปนั้นก็เกิดจากนามรูปเดิมนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาจึงไม่พ้นจากบาปกรามขอนิมนอุปมาให้ยิ่งกว่านี้อีกอุปมาด้วยนมสดขอถวายพระพรเช่นเดียวกับบุรุษผู้หนึ่ง ไปซื้อนมสดจากมือนายโคบานแล้วฝากนายโคบานนั้นไว้ด้วยคิดว่าพรุ่งนี้เช้าจึงจะมารับออกไปต่อมานมสดนั้นก็กลายเป็นนมส้มเมื่อบุรุษนั้นมาก็บอกนายโคบานว่าจงให้หม้อนมสดนั้นแก่เรานายโคบานนั้นก็ส่งหม้อนมส้มให้ฝ่ายผู้ซื้อก็กล่าวว่าเราไม่ได้ซื้อนมส้มจากเจ้า เจ้าจงให้นมสดแก่เรานายโคบาลก็ตอบว่านมสดนั่นแหละกลายเป็นนมส้มลำดับนั้นคนทั้งสองได้โตเถียงกันไม่ตกลงจึงพากันมาเฝ้ามหาบาพิษพระองค์จะทรงวินิจฉัยให้คนไหนชนะโยมต้องวินิจฉัยให้นายโคบาลชนะเพราะอะไรมหาบาพิษเพราะถึงบุรุษนั้นจะกล่าวอย่างนั้นก็จริง แต่นมส้มนั้นก็เกิดมาจากนมสดนั่นเองข้อนี้ก็ฉันนั้นแหละมหาบาพิษถึงนามรูปที่มีต่อมาจนกระทั่งเวลาตายเป็นนามรูปอื่นส่วนนามรูปที่ถือกําเนิดเป็นนามรูปอื่นก็ตามแต่ก็เกิดมาจากนามรูปเดิมนั่นแหละเพราะฉะนั้นเขาจึงไม่พ้นจากบาปกรรมขอถวายพระพร พระผู้เป็นเจ้าแก้ถูกต้องดีแล้วอธิบายคําว่านามารูปในที่นี้ท่านหมายถึงจิตและกายส่วนคําว่านามารูปนี้เป็นนามารูปอื่นท่านหมายความว่าบุคคลที่ยังเกิดอยู่นั้นเพราะผลกรรมของตนในวงเล็บนามารูปนี้ที่กระทําไว้แต่ชาติก่อนถ้าเป็นกรรมชั่วให้ผล ถึงจะเกิดอีกกี่ชาติในวงเร็บนามรูปอื่นก็หาพ้นจากบาป ก, กรรมที่ตนทำไว้แต่เดิมไม่จนกว่าจะไม่เกิดอีกถึงจะพ้นจากผลกรรมเหล่านั้นดิกามิรินอธิบายคำว่านามรูปอื่นหมายถึงนามรูปในอนาคตที่มีอยู่ในสุขติและทุคติที่เกิดสืบต่อไปด้วยนามรูป ปัจจุบันปัญหาข้อนี้เป็นปัญหาลึกผู้ศึกษาควรใคร่ครวนด้วยปัญญาของตนเองด้วยเนื้อความอันใดดีกว่าเนื้อความที่เรากล่าวแล้วก็ควรถือเอาเนื้อความอันนั้น